ต่อไปครับอุโบสถบรรดาอุโบสถสามที่ท่านกล่าวไว้เนื่องด้วยผู้กระทําอย่างอันนี้ว่าโดยผู้กระทํานะอุโบสถก็สา ม, มารถแตกได้เป็นสามอย่างคืออุโบสถของสงอุโบสถของคณะและอุโบสถของบุคคลเดี๋ยวท่านจารย์ที่บารประการะดับนี้ครับอย่างเช่นว่าถ้าครบองค์สงฆ์แต่สีรูปขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ลงอุโบสถสุปฏิโมกข์ครับ ถ้ามีแค่สามหรือว่าสองอันนี้เราก็ทําอะไรก็เรียกอุโบสถของคณะ น, นะครับจะมีการบอกคนที่แทนนะถ้ามีรูปเดียวก็เป็นอุโบสถของบุคคลนะครับปฏิาทางอุโบสถแทนแต่ยังไงก็ทํานะเราจะว่อาอ้าผมอยู่ว่ารูปเดียวผมลงปฏิโมงไม่ได้เนา <c oughs> ะก็เลยไม่ลงไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับถึงอยู่รูปเดียวก็ต้องทําอุโบสถนะอุโบสถของบุคคลแหละนะครับ จะมีการทิศทางบูชสดเนะท่าพ่อจิวพอกรอะไรเหมือกันทุกอย่างนะเพียงแต่ว่านึ่มีการสุดปฏิโมกขนะ์เราใช้วิธีแปลทิศทางบูสดแทนเดี๋วท่านจะบอกนะครับว่าอด้วยคํานี้ว่าสังโบูชสถังกระระยะสองพื้นคำบูชสดท่านปฏิเสธบูชสดของคณนะและบูชสดของบุคคลเรในที่นี้นะที่ในนิทานทานะครับพูดถึงสุนาราเมสันเตสังขบูช น, นะ อาจุปโปรโทถวปนารโซยที่สังทักปัตตังกันลังสังโขโคโสดถังกันเลยยะเนี่ยที่จะเราสุดปฏิโมกขนะประสงค์เอาอุโบสถของสองอย่างเดียวในอุโบสถสามประเภทอื่นอีกนะยังแต่ได้เป็นสาอีกนะได้เป็นสามอีกประเภทหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้เนื่องด้วยอาการที่จะต้องทําอย่างนี้คือหนึ่งสุดตุดเทสัอุโบสถอุโบสถคือหัวข้อแห่งสู่ หมายถึงอุโบสถการสุดปฏิโมกข์นะคับนี้นะสองปริสุทธิที่อยู่โบสถอุโบสถคือปริสุดที่สาอาทิฐานอุโบสถโบสถคือการก็จะไปคู่กับอุโบสถของสงของคณะของุคคลนะถ้าเขาองคสงก็เม่อกี้สุดปฏิโมกข์นะครัเรียกว่าสุดตุเตสังอุโบสถถ้ามัแค่สาลูกว่าองก็จะทํำปริสุดที่อยู่โบสถโบสถคือการบอกปริสุดนะครับลูกเรียกก็ทาวอาทิฐานโบสถ ด้วยคำนี้ว่าปาัติโมกขังอุทิศเสยยะสองพึงสว่วนปัติโมท่านปฏิเสธปริสุดที่อุโบสถและทิศาอุโบสถนคะนครับประสงองเอาสุดตุเทสางอุโบสถอย่างเดียวพเพราะนั้นบอกให้สุดปัติโมกนะก็ต้องสุดตุเทสารอุโบสถนะครับสุดตุเทสารนะแปลว่าหัวข้ อ, อสูดก็ได้แก่หัวข้อปัติโมนะครับอุโบสถคือการสุดปัติโมอะไร อุโบสถคือการสุดปฐิโมกเรียกว่าสุดเทสส์อุโบสถซึ่งในที่นี้ท่านที่กาวว่ในนิทานนะก็ได้แก่ตรงนี้นะครับปฐิโมกุเทศอันนี้จะได้นะเขาได้แนละ้วเดี๋ยวต่อไปข้างหน้านะท่านจะที่ว่าจะพูดว่าอุโบสถมีเก้าที่เราเรียนมาตอนนี้เนี่ยเราได้อุโบสถเก้าอย่างนะครับมีอะไรบ้างเสดแรกเลยอุโบสถวันสิห้าค่ำวันสี่ค่ำ แล้วก็สามเมืขี่โมสดนะครับอันนี้สามใช่ไหมครับแล้วก็มานี่สามอีนนั่นโะมสดของสองฆ์ของข้าหน้าของบุคคลสามใช่ไหมครับแล้วก็มามสามอีกโมสดที่มีการสุดปฏิโมกน์ใช่ไหครหรือสุดที่โมสดปฏิทางโมสถก็ได้ถึงเกานะ้าครับอั่นนี่นะดีข้าหน้าแน่นอนจะจะพูดถึงนะครับปฏิโมกขุนแท้มีสองอย่างหัวข้อว่าปฏิโมกข์นะมีสองอย่างคือ โอวาท่าปาติโมกขุเทศและอานาปาติโมกุเทศโอวาท่าปฏิโมกุเทศนะคืออะไรแปลว่าไงเดี๋ยวดูก่อนนะกุเทศแปลว่หัวข้อนะครับโอวาท่าโอวาท่าปาติโมกุเทศนะหัวข้อนะครับคือปาติโมกนะครับที่เป็นโอวาหัวข้อคือท่าแปะนาสานะครับคือโอวาะนะครับ เป็นปาติโม่นะโอวาสเป็าติโมกนะครับปาติโมกผู้เทศนะหัวข้อก็ปาติโมกนะครับที่เป็นโอวาสได้ได้ไดนะพอได้นะครับหัวข้อปาติโม่คือโอวาสก็ได้ตอนนี้หมายเขาว่าอย่างไงหมายเขาว่าเนะี่ยโอวาสโอวาสของผูดได้ไจา้านะครับที่เป็นปาติโม่คือเป็นประธานใช่ไหมเป็นประธานหรือประเสริฐสูงสุดนะครับเป็นหัวข้อของหมวดธรรมเนี่ย ที่ทรงประทานแก่พระสาโมโลกนี่ยในคาที่อะไรนะแซลวัฒปาริโมกใชครัแบแซลวัฒปาริโมก น, นะเพื่อเป็นแบ่งแผนนะครับในการใช้พระสาโมโลกน่นะไปเผยแผ่ศาสนานะที่บางที่ก็เรียกว่าเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจศาสนาใช่ไหมครับหัวใจศาสานานะก็คือเป็นคําพูดสรุปนะครับสรุปนะพระศาสนาคําสอนพระองค์นะครับ โดยกาลพระอที่เป็นหัวหน้าประธานนะเป็นหัวข้อเป้าระอวนเราจะการไปเผยแผ่ธรรมและอาณาปาฏิโมกขุเทศนะครับหัวข้อก็ปาฏิโมกข์ที่เป็นอาณาอาณาก็คือที่เป็นคำสั่งหรือว่าข้อบังคับนะครับหัวข้อปาฏิโมกข์ที่เป็นคำสั่งหรือว่าข้อบังคับก็คือก็ปาฏิโมกข์ราศีขาวก็ปาฏิโมกข์แหละนะเป็นคำสั่งข้อบังคับนะครับ มารดาปติโมกขุนแท้ทั้งสองนั้นชื่อว่าโอวัชาปาติโมพระโอวาที่เป็นประธานน ะ, ะได้แก่สามพระคาถาที่มีมพระพากกันไว้ว่าขันตีปรมังตโปติสติขานิพพานังปราะมังวันสิพุทาณหิ ป, ปะพิชโตปรูปัตคาตีนะสมโนโหติปังมิเหทยันโตอันนั้นเขายกเข้ามานะในคาถเนี่ สัพปาปัสสะาการะนามกุศลสสะปะสัมปทาสัจจิตตะปริโยทปะนังเหตังพุทธานศาสาสนังอณุปวาโทอันปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตตาจพัตตสิีิปันตัญจัสยานาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุท ธ, ธานศาสนาหลังจากคอมแปลให้แล้วก็จะอธิบายไล่ในแต่ละบทเลยนะครับ ความอดทนคือความอดกั้นเป็นสตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้พระนิพพานว่าเป็นธรรมสูงสุดผู้ทํำร้ายสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบัมปัญชิตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณนะการไม่ทําบาปทั้งปวงการทาบุญศรให้ถึงพร้องการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําร้าย ความสํารวมในาพระปาติโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในการฉันการนอนการนั่งในที่อัศนะการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้เราก็มาดูคำที่นะว่ า, าพระโพธิ์พระปาติโมกขันติบ ร, รมังตะโพนติปิขาขันติคือความอดกั้นนะป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตะปาคือทำเครื่องเผากิเลสนะยังเจให้เล่าร้อน เขาว่าขันตีนนี้ถ้าอธิบายว่าได้แก่อธิบานชนะขันตินะครับขันตีความยอมรับได้ยอมรับจะพราง น, นั้นได้ที่เข้ามานะร้อนไปหน่อยก็ทนได้หนาวไปหน่อยก็ทนได้เจอนะครับมีคนมาด่ามาว่าทุกตีทําร้ายนะก็ทนได้ยอมรับคำท้า น, นั้นได้นะไม่ใช่ว่าทนแบบที่คนใช้ข้อใจกันนะครับกโกแล้วนะแต่ฝืนใจทนไม่ได่าไม่ว่าไม่โต้อตอบนะอดใจ อย่านั้นว่าขันแตกมาแล้วครับคือหรือไม่โต้ตอไปเฉยนะขันแตกไปแล้วแต่ถ้าเป็นขันตีจริงๆเนี่ยจะไม่กระทบสะท้านนะครับจะครับคือคือไม่หวั่นไหวนะมันไม่มีอาการเล่าร้อนหรือว่าต้องดอดต้องต้องกั้นอีกนะครับนะเป็นความรู้สึกที่สามารถยอ ง, งรับสะท้านวันั้นได้ดีไม่ดีที่เข้ามาหาตัวนะครับร้อนอ่าหิวกระหายหนาวร้อนสาดเสือกคานนะคนมาด่าว่ามีทําร้ายนะครับ ใจก็ไม่ไดิ้นรนกระสอบกระสานะอยอมรับสภาว่านั้นได้นี่ลักษณะขันติเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงถึงจะมีขันติดีๆพรางี้เขาก็มีเหตุปัจจัยนะมาจากบุคคลที่ก็จเจริญแม่ตายดีๆนะครับก็จะเป็นปัจจัยให้มีขันติใดียางแต่ว่าวางเฉยไม่ได้หลายอย่างนะวางเฉยแบบผู้รู้ก็ได้วางเฉยผู้ไม่รู้เลยก็ได้อย่างเช่นพระอรหันเนี่ยท่านรู้ทั่วถึงเนี่ยอารมณ์ทั้งปวงแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่สรรไม่ใช่บุคคลนะ ท่านก็เลยไม่วางเบิคขาได้ครับไม่ยินดีไม่ยินร้าในอารมณ์ทุ่งปูนี่ครับด้วยหน้าของตัญหาอย่างเงี้ยนะเขาเรียกไปรูเบิกขานะครับแต่ถ้าแบบกูเบิกขาไปไม่รู้อะไรก็ได้นะไม่ใช่พวกสเดละชาหรือว่าเด็กแรกที่ไม่รู้เรื่องมีคนมาถามมาว่าหรือว่าสารเสพติดชมเชยเขาก็เฉยอย่างไหมอันนั้นเฉยได้สองแบบอันนั้นเขาเรียกอัญญาณรเบกขากูเบิกขาความไม่รู้นะครับนะหน้าของพระอรหันต์เนี่ย ไม่ว่าฉลังผู้ใบขาครับต่างกันยังไงใช่ไหมครับต่างกันยังไงนะ <c oughs> ขันตีเนี่ยก็คือคันตียองรับสภาพนั้นได้นะถึงแม้จะยังมีการถือเอาบุรุษชนธรรมดานะครับถือเป็นสัพ์บุคคลตัวตนอะไรอยู่นะแต่ก็ยองรับสภาะที่เข้ามาอ น, นันได้นะครับไม่ถือโทษโกรธอะไรอนะย่างนี้นะสูงใบขาวางเฉยหนะ่ะ มันต้องมีที่ต่างกันนะเราดูในพฤติกรรมก็ได้ครับที่นี้นะแต่ว่าคันติท่านจะเน้นไปตรงที่ต ร, ตรงนี้นะครับตรงที่ว่ายอมรับสัมามันนั้นได้นะถึงอะไรที่เข้ามาไม่ดีไม่อะไรนะครับก็สามารถยอมรับได้ครับถ้าไปดูเบรคหาบางทีอย่างเนี้ยนะเช่นเบรคหาภพวิหารเนี่ยใช่ไหมครับบางทีมันเกี่ยวกับว่าการพิจารณาถึงความที่ต่างนั้นนะ่ะมีกรรมของตนด้วย ยังยอมรับได้เชื่อเบิดขาพร ม, มิหารนะ่ะเวลาไปเห็นคนที่ประสบทุกข์นะครับถ้าคิดว่ามีแต่การูน า, าเดียวนะั้นไม่ได้มีอุเบกขานะครับกรุณามันจะหายไปนะมันจะกลายเป็นทุมนั่งเศร้าเสียใจะครับเราเห็นมากคนนี้เป็นทุกข์ต้องการช่วยเหลือใช่ั้มแต่เราช่วยเขาไม่ได้นะครับเพราะหลายอย่างนะอัณฑะนานการนั้นเราช่วยเขาไม่ได้แล้วมันนั่นเกินไปนะครับถ้าเรากรุณานี้วนั้นะมันทีกรุณามันจะตกนะ กลายเปโท ม, มานะเลยนะครับแต่ถ้าเรามีอยู่ใบขาปุ๊บนะครับมันจะไม่ตกไปนะถึงแม้ว่าเราช่วยเขาไม่ได้มันช่วยไม่ได้จริงๆอย่างคนคนเป็นมะเร็งอย่างนี้นะ่ะใช่ไหมครับพอ <c oughs> เรามาล่องคุณทางอย่างนี้จะไปช่วยยังไง <c oughs> คุณก็ไม่ใช่หมอ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะแต่เนี่ยถ้ามีอยู่ใบขานะครับพิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมของตนนะว่าโอ๋ อ, อเขาทํากรรมมาเชิดสร้างปัจจัยอะไรอย่างนี้นะเขาจะรับความพุก่างนี้นะครับ ใจมันก็จะไม่เดือดร้อนอบัยค้างลักษณะนั้นได้ครับอ้าวต่อไปนะต่อไปนั่นบอกว่านิพพานปรมังวันนิตพุทธาพระพุทธเ จ, เจ้าทั้งหลายนะครับกล่าวพระนิพพานาว่าเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าสูงสุดก็ได้นะท่านก็อธิบายว่านะครับเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมนะครับโดยอาการทั้งปวงนะคือพระนิพพานานะครับ เป็นอาการที่ยอดเยี่ยมหรือว่าสูงสุนโดยอาการทั้งปวงเลยที่ว่าจะไม่ดีเลยอาการใดอาการหนึ่งคือไม่มีเลยครับเพราะว่าหาว่าบุคคลนะ่ะที่บรรลุมั่งผลนิพพานแล้วก็สามารถตัดเกล็ดเด็ดขานะเพ่อะอะไรเพราะว่ามั่งผลนิพพานขเขาเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ครับก็เลยสามารถตัดเล็เด็ดขานเลยพระนิพพานาเที่ยงใช่ไหม<อ>เป็นสุข<อ>แต่แปล น, นัต อ, อ่ะนะครับไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะสุขเลยนะครับ นั่นแหลอดีไัมแจ็ดีครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีอยากไปครับแจ็นนี่อยากไปเนี่ยมันจะไม่มีความสุกข์นะไม่ทุขเลยนะเส้นไรครับมันไม่สุขสุขนะสุขบารมีสุขขั้นสูงสุดเลยเจ๋งที่สุดเลยถึงข้อหมายว่าอ่เป็นกุศลธรรมนะครับโลกียะใช่ไหมโลกุตาะนะครับถึงขนาดว่าชานสมานบัตรหรือมรรผลอย่างงี้นะมากผลเนี่ยก็ยังอยู่ในตายร่างนะ เกิดดับนั่งต้องเกิดแล้วก็ต้องแตดับไปใชครับแต่พระนิพพานอะเที่ยงเลยครับไม่มีเกิดไม่มีดับเลยนะอันนี้สูงสุดนะครับยอดเยี่ยมเนือกาทุกปวงเลยถ้าบอกว่าผู้อนัชหิตพระชิตโตบรูปะคาตีผู้เบียบเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นมังกรชิดเลยอันนี้เป็นยไงอธิบายบ้างนะครับเพราบุคคลนั้นนะ่ะเขาไม่มีขันติอะไรนะครับเขาไม่มีขันติอะไรนะ จึงมีการไปเบียดเบียนสัตว์อื่นคนที่มีลักษณะนี้นะครับไม่เชื่อเป็นบุพชิตถ้ามีขันติถูกด่าว่าถูกตีถูกอะไรใช่ไหมยอมรับสภาพั้นได้นะครับก็จะไม่ไปทำร้ายอะไรต่อเขาอันนี้พ่อมีสภาบ้ากตรงนี้นะก็เลยมีการไปทำร้ายบุคคนอื่นนับไอถึงกับไปฆ่าเขาเลยก็ได้นะบุคคลนี้ไม่เชื่อเป็นบุพชิตนะครับส่วนบางต่อไปนะผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เชื่อเป็นสมณะ ครานี้เป็นคำวัยพุทธเฉนะครับคำวัยพุทธขอคำเมื่อกี้นะแล้วก็ท่านอธิบายว่าอีกลักษณะห น, นึ่งแน่ว่าผู้เบียบเบียนสัตว์อื่นอยู่นะครับเพราะผู้เบียบเบียนสัตว์อื่นหมายถึงผู้เบียบเบียนสีก็ได้ผู้เบียบเบียนสีก็ได้นะเพราะว่าครับสีเนี่ยท่านก็เรียกว่าประลังข้อคําว่าประลังนะหมายถึงนะครับสิ่งที่ประเสริฐก็ได้นะครับ ศีลท่านเรียกว่าปรังเพราะอาถรรพ์สูงสุดนะครับเพราะนั้นผู้เบียบเบียนสัตว์อื่นหมายถึงผู้เบียดเนะบียนศีลนะท่านบอกว่าสมณะใดนะครับเบียดเบียนอยู่ซึ่งสัต์นะซึ่งสัตว์อื่นนะครับผู้ใดผู้หนึ่งนะก็ชื่อว่าเป็นผู้เบียบเบียนศีลนะครับทำศีลของตอนให้ที่หน้าสมณะนั้นไม่เชื่อเป็นประชิดเลยนะ อีกอย่างหนึง่งเพราะความที่ไม่มีอธิวาสนาขันติอะไรนะครับจึงเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นะะนะนะครับนะมีการเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับมีการจงใจนะกลองชีวิตสัตว์อื่นโดยที่สุดแม้กระทั่งเหลื่อมและยุง<ม>นี่ก็ไม่ได้นะเขาที่มีขันติแค่ยุงกัดทนไม่ได้ใช่ไห ม, ไมไอาจจะไปตบไปตีอะไรอย่างนี้นะครับบุคคลนั้นไม่เชื่อเบญบาชิตเลย เพราะอะไรครับเพราะอะไรไม่เชื่อบิณฑบาติชเพราะว่าเขาไม่ได้ขับไล่มลทินของตนนะครับไม่ได้ขับไล่มลทินออกไปาการที่ไปแค่เบียนเบียนัตรูไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับขับไล่มลทินคืออะไรครับมลทินคือาราฆ่าโทสะโมหะใช่ไหมครับบุคคลนี่ไปเบียดเบียนศัตรูเขามีโทสะใช่ไหมนะคะะรับเลยชื่อว่าไม่เชื่อบิณฑบาติชเพราะว่าไม่ได้ขับไล่มลทินของตนนะครับ เพราะท่านเพรานั้นนะครับท่านจึงกล่าวว่าบุคคลผู้ขับไล่มนทินของตนแหละชัว่วมุบาชิตนะครับนี่แหละเป็นลักษณะของมุบาชิตนะขับไลม่มนทพินของตนคือโลภะโทสะโมหะได้นะครับถ้ายังมีการเหยียบยีสัตว์อื่นหรือว่าตัวยังมีมนทินเนี่ยยิ่งไม่ได้ขับไล่ไปนะครับพูดต่อว่าว่าแม้สมณะใดนะครับไม่ได้ฆ่าสัตว์อืนะ่นนั้นไม่ได้ฆ่าให้ตายรครับ แต่เบียดเบียนด้วยท่อนไม้เป็นต้นท่อนไม้ทุบตีทำร้ายซ้อมอะไรอย่างนี้นะไม่ถึงก็ให้ตาเดี๋ยไปทำร้ายเขานะครับบุคคลผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างนี้นะไม่เชื่อเป็นสมณะนะครับทำไมไม่เชื่อเป็นสมณะล่ะเพราะว่ า, ย, า, กกา ย, ยังไม่สงบจากการเบียดเบียนนะครับยังไม่สมบจากการเบียดเบียนเพราะนั่นกล่าวไม่ว่างนะครับเอผู้ที่สงบนะ ผู้ที่สงบจางบาตรทั้งหลายเนะี่ยชื่อว่าสมณะนะครับนี่นะผู้สงบจางบาตรทั้งหลายชื่อว่าสมณะอันนี้แหละเป็นลักษณะของสมณะนะครับอืออยงนี้นครับในพระคาถาในกรเลยต่างอะไรเงี้ยนะผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยต่อไปนะครับการไม่ทำบา ท, ทั้งปวงสัพ ป, ปาปัสสะกัลลนา น, นะครับบาตรเปที่นี้หมายถึงอกุศลทั้งปวงเลยนะ ทั้งกาบรรจารูปารบรรจารูปารไม่มีผิดใช่ไหมอกุศรเป็นกาบรย่างเดี่ยนะครับมันไม่มีเป็นรูปาวจรรหรอกอักษรนะเป็นกาบรรจางี่เงี่ยนะครับขากดรูปาวจรรจี่ผิดเลยกาไม่ทําบาตทั้งปวงนะครับหมายถึงว่าไม่ทําอกุศรทั้งปวงนะถ้าพูดถึงอย่างนี้น่ะแสดงว่าไม่ใช่ว่าการไปพุทนะผิดสีนะครับหรือร่วงละเมิดออกมาอย่างเดียว แม้แต่การทำํำภูสนใจเกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ไม่ได้นครับเนี่ยเพราะถ้ า, อาเอาบาปเอาภูสนทุกอย่างเลยนะไม่ได้เบียดเบียนใครแต่นอ น, นครับนอนเฉยๆนะไปตืเตกกต่เรื่องรามกใช่มหมตื่กลางมีตกเรื่องรามกหรือว่าไปนั่งโกรนนั่งเกลียดใครอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไปทําบามบาปนะบาปทางใจเกิดขึ้นนะครั บ, รบอันนี้ไม่ได้อันที่นี้นะอันที่นี้ไม่ได้เลย <Okay. S 1> ถ้าบอกว่ากลางไม่กระทําก็คือไม่ทําให้เกิดขึ้ น, นครับ ไม่ทำเกิดขึ้นไหนนะเนี่ยอันนี้อย่างสูงสุดเลยนะที่เป็นภานนะวานาตั้งแตัโมง ต, ต้องเป็นอย่างที่ทำนะั่นจะมีในปฏิสนธิการกุศลที่พูดถึงนะครับข้อต่อไปนะครับการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทํากุศลที่นี่หมายถึงกุศลมีภูมิสีเท่านี้เป็นการวจอนฝ่าวจอนฝาวัดจอรโลกุตละทั้งหมดนะครับทําให้ถึงพร้อมคือได้เฉพาะเรื่องความถึงพร้อม แห่งกุศลเหล่านั้นนะมันเป็นไปนเรื่อยนะครับตั้งแต่คขั้งแรกเลยใช่ไหมขั้นแรกอะไรทานศีนะักไล่มาเรื่อยนครับจนถึงอะไรถึงมรรคผลเลยนะเก้าถึงมงรรคก็เป็นกุศลนะถึงมรรคผลเป็นมิบาทนะ <c oughs> ในกุศลนะอย่างนี้นะครับจต่เช่นผ้ามันก็ขุณขาวายตลอดนะขณะที่เรากํลาลังเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยก็ถือเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งนะครับ ธรมะสมณะธรรมะ ธ, ธรรมเทศนานะวัีเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยนะครับเราเห็นประโยชน์เลาเรียเราก็ได้รผลความเขพอใจใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นปัญญานะท้าเรียกว่าสุตตะมยะปัญญานะครับปัญญาที่เกิดจากการฟังนะนะครตรงนั้นเกิดขึ้นเราทํากุศลได้ตลอดนั่งพิมพ้าเนี่ยร <c oughs> ักษาศีลนะครับบําเทนข้อว่าปฏิบัติต่างๆหรือขนควายที่ชอบแก่เพื่อนไปสุดสมณเณรนะครับช่วยเหลือกันนี่นะ ศึกษาการทำวินัยถ้าหนุนสูงขึ้นไปก็นู่นนะครับเข้ากรรมฐานเตมภาวนาเต็มที่เลยนะครับได้ทำบุศลตลอดเลยเนี่ยพระพุทธองค์ให้ทํำบุญส่วนได้ถึงพร้อมนะครับบุญส่ทั้งสี่อย่างเลยต่อไปนะครับสัจจิตตาปริโยเทปนังทําจิตของตนให้ขาลอกเข้าไปไมเหมือนกันให้ผ่องแพรนะครับทําจิตของตนให้ผ่องแพร่งเป็นยังไงถ้าบอกว่ากระทันหันแบบข้าศน์นะ ทำนะครับให้เป็นจิตที่ประพัฒสอนนะครับนะทำให้ผ่องแผ้วให้หมดจดจุลอาการทั้งอวงนะครับทีนี้นะครับการที่จะทําอย่างนี้ได้ทําได้ด้วยอะไรนะครับถ้าบอกว่าด้วยผ้าละหันนะครับเ mm hmm. นี่ยต้องมารลุเป็นผาละหันนะบรรลุมั่งนะครับ mm hmm. จะชํำระถึ ง, งตรงตัวนีองแพ้วได้ก็ด้วยผ้าละหันนะครับผ้าละหันสมัครสมผลนะเพราะเวลาบรรลุ มักเกิดขึ้นอาหาจะมากเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ไต่เกล็ดทั้งหมดได้เด็ดขาดเลยนะแล้วผลเกิดขึ้นจริงของบุคคลนั้นก็คือว่าผ่องแพ้วนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะอัถึงขั้นนี้เลยเนี่ยท่านกลยมาสรุปว่าพ่อเห็นนั้นนะครับบุคคลนะเอาพิสูจน์ก็ได้นะพิสุจน์ก็เห็นภายสงสารละแล้วซึ่งบานทั้งปวง ด, ด้วยศีลสังวรนะครับนี่ขแถลงเลยนะและก็ทำํำกุศลให้ถึงพร้อม ด้วยสมถาและมิปัสนาอันเป็นโลกียะโลกุตระนะตอนแรกสีมันต้องได้ก่อนอีกบาดฐานใช่ไหมต่อไปทั้งมุโสถึงเพราะด้วยการเจริญสมถะอะไรสมถะและวิปัสนะอันที่เป็นโลกียะโลภุตระนั่นให้หมดเลยนะครับและก็ชำระจิตนะพึ่งชำระจิตให้ของแพร่ให้หมดจดด้วยอรหันตํสมลนะคพออรหันต์สลเกิดขึ้นปุ๊บใช่ไหมมั่งแต่เจิดขานแล้วผลเกิดขึ้นนะครับจิตก็ของแพร่ นี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตามมุทขาขาขนังคำสั่งคือเป็นโอวัชนะครับเป็นอนศักดิ์ของพระพุทธเจา้าต่อไปนะครับการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายอันนี้ง่ายอยู่แล้วนะไม่มีอะไรนะครับไม่ว่าร้ายด้วยวาจานะครับไม่ทําร้ายคือไม่เบียดเบียนนะบุคคลอื่นนะครับสัตว์เหลสัตว์เหล่าไรก็แล้วแต่นะด้วยกาย ความสมบูรณ์ในพระปาติโมกความสมบูรณ์ในพระปาติโมกนี่คืออะไรถ้านบอกว่าคือการไม่ก้าล่วงในกอนอาบัตทั้งเจ็ดนะครับเขาว่าสมบูรณ์เป็นอย่างเงี้นะถึงพร้อมเข้าถึงใช่ไหมครับประกอบด้วยสีพระปาติโมกนะก็ได้แก่ไม่ก้าล่วงอาบัตทั้งเจ็ดกออันนี้นะความหมายเขาบอกปาติโมกเราเราผานแล้วนะครับชื่วปาติโมกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสีที่ประเสริฐสูงสุดนะครับ ช่วปฏิโมกข์นะไม่ว่ากันแล้วนะครับหรือว่าเขาไม่พ้นจากทุกขติภัยทั้งหลายได้ต่อไปนะครับมัตตัญญาจิปตปัตตสมีความเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะความรู้ประมาณในโภชนาะท่านอธิบายว่านะครับรู้ประมาณนะครับทั้งในการรับและทั้งในการบริโภคนะนะค ร, รู้ประมาณโภชนะนะี่ยทั้งในการรับทั้งงานบริโภคตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใชเรื่องธรรมดานะ นี่นะครับตรงนี้กิเลสจะเกิดได้เยอะที่สุดเลยเวลาฉันเนี่ยโกยเขาว่าโพชนาที่นี้ท่านไม่ได้เอาอาหารอย่างเดียวนะเอาๆทั้งหมดนะครับรู้ประมาณในโพชนาท่า น, นบริโภคเวลารับหรือว่าเวลาพิจารณาอาหารเนะี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้รู้ประมาณใช่ไหมมันก็จะตัเกเติมนะครับหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่นะนี่กับเต็มหวานนะครับอันนี้ถือว่าไม่รู้ประมาณตอนรับนะและเวลาฉันก็เต็มที่นะครับชันชั้นเพิ่มชั้น จนอิ่แน่ น, นะครับแน่นเกินแลนะอันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคสมมุติว่าถ้าเราทํานี่นะมันจะมีตอนรับแล้วก็ตอนบริโภคถ้าว่าตอนรับเราพลาดไปแล้วนะครับเอาให้ได้ตอนบริโภคก็ยังดีนะเราไม่ต้องไปเสียดาของหรอกนะครับมันถือว่าสละให้เนได้ถ้าเน่าก็เน่าไปทิ้งก็ทิ้งไปนะครับถ้าเราล้มหรืเสียดาอ่านก็้าไปได้เต็มที่นะอันนี้มันจะไม่รู้ประมาณในการบริโภคนี่ มันขาดทุนสองต่อนะครับสองต่อเลยนันถ้าเราขาดทุนไปแล้วตอนแรกเราพลาดไปแล้วใช่ไห้ให้มันพลาดนั้นต่อเดียวครับไอตอนที่ขายคอมาได้กําไรคืนมานะเราจะเป็นได้เสียดายนะครับนเสียดายนะท่านเหลือก็เหลือไม่เป็นไรนะถ้ามันพลาดไปแล้วขอให้ยังไงขอให้มันได้ที่จะนานครับแต่จะให้ดีนะวิธีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ว่าจะพอช่วยได้นะครับไอตอนการตักนะการตักเนี่ยมันจะช่วยให้ตอนเวลาขันมันจะพอดี ถือว่าเวลาถือว่าเราฉันใช่ไหมเราลองดูว่าเราตักข้าวนะครับกี่ช้อนแล้วมันจะพอดีไหมอิ่มเกินใช่ไหมบางคนอาจจะแค่สองช้อนนะหรือบางคนแค่ช้อนเพิ่มน่อยครับคุณก็สองข้าวทีนะครับคุณก็ตักใส่แค่นันพอนะครับตักเลยนะไม่ไม่ต้องเผื่ อ, อีกนะครับตักแค่นั้นพ้อไม่ต้องเผื่ออะไรไว้แล้วก็ใส่กับข้างใส่อะไรหรือวฉันตอนเพลทก็ลแลกแต่แต่ว่าถึงว่าเราเทไปในหมาอะไรที่เราจะฉันน่ะ ถสาถุงสองถุงก็แล้วแต่ครับเทลงไปนะแล้วเราตั้งใจไว้ทีว่าจะฉันได้แค่นี้แหละนะครับอาที่ย์เดียวใสยย่ยากใส่ถุงให้เรียบร้อย <c oughs> ผมผมสังเกตนะม่นจะช่วยได้อย่างนะครับพอเวลาฉันมันจริงนะเออมันถึงถึงว่าคดีนะเพนะราะว่านายตอนตันก็สําคัญนะและ้วเราก็ใส่ใจให้ดีแต่ไิ่ถ้าบานแล้วก็ถ้าไม่ใหลดบานแล้วก็ไม่พูนบานนะแล้วก็ใสยย่ยากต่อไปนะครับปันตังจากเสยนาะสนานนะครับ ความยินดีในเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะอันสงัดถ้าอธิบายว่า น, นะครับแนวชนะที่เว้นนะครับอที่เว้นจากการพุกผ้าด้วยผู้คนนะครับผู้คนนะไม่พุกผ้านะครับแล้วก็พุกผ้าเอร์อด้วยผู้คนนะแล้วก็นะครับไม่แอร์ดนะครับไม่แอร์ดเข้าแคบด้วยผู้คนนะอย่างนี้นครับแล้วก็ไม่ถูกเบียบเบียนใครๆนะ ด้วยเหตศนาสนะที่วิเวกนะครับเพราะว่าถ้าเศนาสนะที่สงัดเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกือ้อกูลน่นแก่การปฏิบัตินะครับกาปฏิบัติวิปัสนาอย่างเงี้ยหรือจลสมถะก็แล้วแต่นะต้องใสเศนาสนะที่สงัด น, นะครับถ้าไว่าวิเวกนะวิเวกการวุฒความสําคัญนะครับถ้าเราไม่ได้ที่วิเวกนะแอนอนัดหรือพกพาหรือผูกคนนะอยู่ไม่สะดวกปฏิบัติไม่สะดวกนะครับจะมันจะวอกแวกแล้วก็ไปคอยใสย่ใจอารมณ์รอกข้างนะคพราะนี่สำคัญ อย่างแรกถ้าคนที่ไม่ยินดีวิเวกนะครับไปอยู่กับมรรคไม่ได้หรอกนะมันจะเหงาเบื่อเซ็งนะครับอยู่ไม่ได้เห็นครับเพราะตรงนี้สำคัญเลยนะอาการยินดีมรรที่วิเวกถ้าคุณไม่ยินดีแนละ้วคุณจะปฏิบัติยังไงนะครับมันต้องยินดีต้องมีตรงนี้ก่อนนะข้าก็มาสรุปนะครับว่าความยินที่พูดถึงนะรูปประมาณในโพชนะก็ดียดีในเสนสน า, นาสงัดก็ดนะีอันนี้นะครับพระองแสดงถึง ความสันโดษนะครับด้วยปัจจัยทั้งสี่เลยนะถ้ายกมาแค่สองตัวเป็นตัวอย่างใช่ไหมคือรู้ประมาณในโภชนะเอาโพทยกมาแค่โพชนะกับเซนาสนา ะ, ะครับแต่ความจริงคืแสดงถึงความสันโดษด้วยปัจจัยทั้งสี่เลยสันโดษก็คือยินดีนะครับยินดีด้วยของที่มีอยู่นะมีอะไรได้ยังไงมันก็ยินดีด้วยของที่มีอยู่อย่างนั้นนะครับแต่รเรื่องมากน้อยสันโดษก็แล้วกันนะถห็นไหมดีนะครับสำหรับผ่านในเนี่ย ก็คุณเป็นประโยชน์อย่างมากนะจะใช้ตัวเพื่อพรมจันทร์อยู่ได้นานๆแล้วก็จะดรียทนทํำวินัยนะถ้าไม่สันดษอย่างดีก็ว่าลำบากนะครับมันั้นนานๆก็คือแบบจะอยู่ในศาสนานี้ไม่ได้เลยนะมันจะรู้สึกแต่ว่าไม่พออยู่เรื่องนครับว่าทำไมคนนั้นเขามีอย่างนั้นหนึง่งดีอย่างไรของเราไม่มีอะไรเงี้ยนะใจมันก็จะ น, น, นะนิ่นรนเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเราเคยไปโยมันก็อยู่ที่อื่นนะ่ะมันหาได้เมื่อไหร่ก็หาได้นี่มั้งแต่พอเป็นพระอยู่วัดเขาเนี่ยโหลำบากเลย เราภาวนาอย่างเดียวทีจะได้นั้นได้นี่ก็ไม่ได้หดั่งใจนะครับอย่างนั้นนะแต่เรามีความสันโดษได้ยินดีด้วยของที่มีอยู่ อ, อะไรที่พอใช้ได้นะก็ใช้ไปบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องมีส่วนตัวก็ได้นะครับยูของส่งของการใช้ก็ได้นะใจมันจะไม่เหลือนรอนนะครับทําให้คุยผมมันจะได้สะดวกเลยนะอันนี้ไปนะครับอธิจิตเตสอาโยโคเนี่ยการประกอบความแยแสที่จิตนะครับ ประกอบความเพียแในที่จิตเนี่ยท่านอธิบายว่าครับสมาบัตแปดนะครับอันเป็นบาปแห่งนิปัสนาชื่อว่าที่จิตในที่นี้นะครับอระกอบความเพียแในที่จิตก็คือในสมาบัตแปดไม่ได้เอาสมาบัตแป ท, ทั่วไปนะเอาสมาบัตแปดที่เป็นบานปพสนาสมาบัตแปดในศาสนาใช่ไหมที่พิสุสัส ม, มนเนห์นะครับพุทธบริษัทไปเจริญกันนี่ยไม่เจริญเพื่อเข้าถึงภูมิโลกนะแต่เจริญสมาบัตเนี่ย เพื่อเป็นบาดท้ายการเจริญปัสสานะครับเพื่อจะได้ร่างกิเลสได้นะนะอันนี้นะครับอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมัดผลนั่นแหละนะครับมัด ก, กับจิตผลลับจิตนั่นแหละชื่อว่าอธิจิตนะครับชื่อว่าอธิจิตแม้กว่าสมาบัตแปดอินนะครับพอ่อเน้นคําว่าประกอบความเพนะียในที่จิตก็ได้แก่นะครับประกอบนะคือตามประกอบความเพนะียในการอะไรทาฌาสามาบัตให้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ทำมรรคจิตผลจิตให้เกิดขึ้นนะประกอบความเพียรทีนี้นะครับเพื<ม>่อการสูงสุดเนี่ยบรรลุปเป็นผ้าหันเลย<ม>ท่าน แ, แต่เรื่อดแต่ตอนแรกนะครับล่าบาปเนี่ยมาถึงเรื่อดจนถึงสูงสุดเป็นผ้าหันนะครับบรรลุมากผลเลยนี้แหละเป็นคําสั่งอาของพระพุทธเจ้านะครับทั้งหลายท่านก็มาสรุปนะครับแร่ตอนแรกนะอะการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายบุคคลอื่น ความสมบูรุ์ในพระปาทิโมความรู้ประมาในโภชนะในเวลาอาการรับและบริโคนะครับความเป็นผู้มีวัตสีในสมาบัติการเสเสนาสนะอันสงัดนี้นะครับเป็นโอว่าคือเป็นอนุสานะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคาถาเหล่านี้ก็เป็นคาถาปาฏิโมกรุเทแลนะหัวข้อปาติโมนะโอว่าที่เป็นหัวใจเป็นประานนะครับ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาต่อเลยนะครับมันดูหง่ายถึงหกนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงแสดงอวทานปาติโมกนั้นสาบวิหาได้แสดงไหมนะครับเฉพาะพระเจ้านาที่แสดงพระอุานปาติโมกท้ายก็พรงคแสดงว่าท่าปาติโมกในปฐมโพธิการนะครับยี่สิบพรรษาปฐมโพธิการนะพอต่อจากนั้นมาพระองค์ก็นะครับทรงบัญญัติให้ ทรงมันอาアาปาติโมกนะนะครับอะนาปาติโมกให้พระสาวกข้างหลังนังแสดงนะครับอานาปาติโมกก็คือสิครับพระปาติโมกนะที่เรามาสู่กันทุกวันลุมโบสดนี่แชื่อว่าอานาปาติโมกนะอาติอาปาติโมกนี่เป็นคําสั่งข้อบคับนะครับได้แก่ปาติโมกที่สวดเป็นต้นว่าสุนาตุเมพันเตสังโคอานาปาติโมกนั้นสาวกเท่านั้นแสดงนะครับ มาสวดกันอย่างนี้นะเห็นว่าภาษาพกนะครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้แสดงไม่ mm hmm. ก็อันว่าปาติโมกนี้ประสงค์เอาอาณาปาติโมกนี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. เขาว่าอนณาเขาว่าปาติโมกเนี่ยปาติโมกนะปาติโมกเขาอุทิศเสยะใช่ไหมสงผึ่งส่วนปาติโมกก็ได้แก่สี ข, ขาวก็ปาติโมกอันเนี้ยได้แล้วนะสังฆาอุบโบสถอุบโบสถของสอง การสบวนการติมอก็เสร็จไปแล้ว